ในจิตแพทย์ทีมอะไรจิตแพทย์ยกมือหน่อยยกมืออ่ละลงได้นะไม่ต้องตื่นเต้นหรอกทำใจสบายๆไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกไม่ต้องกงังวลไม่าจะเรียนไม่รู้เรื่องไม่เหมือนจะสอบเอ็นทรานอะไรนะไม่เหมือนหรอกสบายๆธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรมันคือการเรียนเรื่องของตัวเราเอง วัตถุประสงค์ของการเรียนนะเรียนเพื่อจะพ้นทุกขนะ์เรียนแล้วเราจะมาฝึกจิตฝึกใจของเราจนเราเหลือแต่ความทุกขทางร่างกายอันนี้เป็นความทุกขตามธรรมชาติแก้ไม่ได้แต่ว่าความทุกข์ทางใจมันจะหายไปวัตนะถุประสงค์ของการศึกษาธรรมะก็คือจะพ้นทุกขนะ์แล้วพอไม่มีร่างกายนี้ก็พ้นทุกข์ทางร่างกายไปด้วยยังมีร่างกายอยู่ก็ทุกข์เพราะร่างกายไป แต่ใจไม่ทุกขนะ์ร่างกายมันแกร่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายนะเราไม่ทุกข์เราได้เจอคนที่ไม่รักเราพลัดพรากจากคนที่รักเราก็ไม่ทุกขนะ์เราสมหวังหรือเราผิดหวังเราก็ไม่ทุกขนะ์มันเป็นมัตุประสงค์ในการศึกษาธรรมะนะศึกษาเราไม่ทุกขนะ์ศึกษาลงที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนก็ศึกษาลงไปที่นั้น ความทุทกข์อยู่ที่ร่างกายศึกษาที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจศึกษาอยู่ที่ใจศึกษาช่วยเห็นความจริงนั่นแหละนะการศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็คือเพื่อให้เห็นความจริงใช่ไหมอย่างเราศึกษาเรียนเป็นหมอจิตแพทย์อะเนี้ยก็เพื่อให้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องการจะบำบัดรักษากันอะไรพวกนี้ทางจิตงั้นเราเรียนวิชาอะไรก็เพื่อให้รู้ความจริงในสาขาวิชานั้นนะ ก็มาเรียนความจริงเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจหน้าที่เราศึกษาลงที่กายที่ใจศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจนั้นพระพุทธเจ้าสรุปไปแล้วว่าเป็นไตรลักษณ์ความจริงของร่างกายคือไม่เที่ยงเกิดมาเ้วก็โตไปแลก็แก่ไปตายไปอะไรนี้ความจริงของร่างกายความจริงของร่างกายคือเป็นทุกข์มีความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีสติปัญญาพอก็ไม่เห็นรู้สึกนานๆทุกทีหนึง่งยังหนุ่มยังสาวยังเด็กอยู่ก็รู้สึกนานๆทุกทีหนึง่งตอนไม่สบายถ้าแก่ก็รู้สึกทุกบ่อยหน่อยแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งต้องมาเจริญปัญญาจริงๆนะมีสติรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆเราถึงจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ทุกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นานๆทุกทีนึงอย่างที่เคยเข้าใจหรอกจริงๆร่างกายนี้ทุกอยู่ตลอดเวลา นั่งอยู่เฉยๆก็เมื่อยมีใครนั่งแล้วไม่เมื่อยไม่มีนั่งก็เมื่อยนะนอนก็เมื่อยนึกออกไหมนอนก็เมื่อยแล้วนอนมันเมื่อยแล้วต้องพลิกซ้ายลิ ก, กว่ามีใครนอนไม่พลิกเลยไหมมีนะพวกตายแล้วหรือพวกเป็นอัมพาตพลิกตัวเองไม่ได้แต่ว่านอนแล้วพลิกตัวเองไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะทุกข์เยอะเลยงั้นร่างกายนะ่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา นั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกหายใจออกก็ทุกเอาลองทดลองความทุกขจากการหายใจออกทุกคนหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆนะอย่าหายใจเข้าสักห้านาทีสายหน้าเลยไม่ทำไม่ได้เอาหายใจปกติคนพาซื่อไปหายใจจริงเดี๋ยวลม้มลงไปชักแดกๆนะเห็นไหมหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกนะก็ต้องหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุก หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนะต้องขยับไปขยับมาเพื่อแก้ทุกนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนความทุกข์ที่หยาบออกไปหน่อยห่างออกไปหน่อยเช่นเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนอยูนะ่นะไปหาอะไรกินกินไปอิ่มก็ทุกอีกและ้นะอิ่มมากไปก็ทุกอีกแล้วนะอิ่มไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็หิวก็ทุกอีกและ้นะ เาห่างออกไปหน่อยก็เดี๋ยวก็เจ็บป่วยบางคนเรแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยสุดท้ายตายหมดเล ย, ท, ท, ท, ย ท, ทุกความทุกบีบคั้นสุดท้ายทุกคนถูกความทุกบีบคั้นตายหมดเลยนะไม่มีรอดเนี่ยธรรมดาของร่างกายทุกธรรมดาของร่างกายไม่ใช่ตัวตัวเรานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายเนี่ยจริงๆเป็นแค่ฝุ่นละอองเป็นทุลีของจักรวาล ไอสไตน์ style, เคยบอกนะไอสไตน์บอกว่ามนุษย์นะเป็นแค่เศษธุลีของจักรวาลเล็ ก, ลกๆนิดเดียวไม่มีความหมายอะไรนะแต่ละคนแต่ละคนแต่มันสําคัญมั่นหมายว่ากูใหญ่กูใหญ่กูแนะ่กูแนะ่ขึ้นมานะมันก็ใหญ่เกินความเป็นจริงในความไม่จริงไม่มีความหมายหรอกใครจะอยู่หรือใครจะตายสักคนไม่มีความหมายอะไรนะคนเกิดมาเยอะแยะก็ตายไปตายไปไม่มีหรอกกูใหญ่กูแนะ่กูหนึ่งนะอยู่ไม่ได้ตลอดอก ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเป็นแค่ฝุ่นละอองเป็นวัตถุธาตุร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุมารวมตัวกันชั่วคราวถึงจุหนึ่งร่างกายก็วัตถุธาตุนี้ก็แยกตัวออกไปดินน้ำไฟลมมันก็แยกออกไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูอย่างนี้เรื่อยไปนี่ความจริงของกายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้คืออนัตตา นะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาในอนัตตาจิตใจเหมือนกันความจริงของจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจจะเปลี่ยนเร็วก่าร่างกายอีกนะร่างกายเนี่ยต้องนั่งสักพักหนึ่งท่านค่อยรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยนะแต่จิตใจก็เราไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่นี้ค่อยๆสังเกตที่ใจตัวเองสังเกตไหมไเดี๋ยวก็ฟังไปเดี๋ยวก็คิดนะฟังแล้วก็คิด ทบทวนในสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวจิตแพทย์มองเห็นไหมเวลาฟังอ่ะที่ว่าฟังรู้เรื่องฟังเลคเชอร์ฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องอไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะแต่ฟังไปคิดไปนะเคยสังเกตตัวนี้ไหมในตำรามาีไหมไม่เคยเรียนหรอได้เรียนน้อยจังเลยเรียนให้เยอะๆเลยนะในศาสนาพุทธเนี่มีเรื่องทางจิตทางใจเยอะน่าเรียนมากเลยสนุก อย่างที่เราบอกเราฟังรู้เรื่องเราฟังรู้เรื่องจริงๆไม่ได้ฟังรู้เรื่องหรอกฟังนะไม่รู้เรื่องที่ไปรู้น่ะรู้เพราะคิดสังเกตไหมฟังไปคิดไปหัดสังเกตตัวนี้ก่อนจิตที่ฟังตั้งใจฟังจิตมันเป็นคนตั้งใจฟังมันฟังได้ประเดี๋ยวเดียวมันก็สลับไปคิดจิตจะฟังหรือจิตจะคิดไม่ต้องสั่งมันทางานได้เองต้องทางานได้เองนี่แหละมันสอนอนัตตาเรา มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะพอจะดูออกอยังว่านั่งฟังหลวพอพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดบางคนคิดไปเรื่องอื่นด้วยรู้สึกไหมบางคนคิดไปถึงบ้านแนละ้คิดถึงว่าประเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะคิดถึงว่าออกจากวันแล้วจะไปเที่ยวที่อื่นอะไรนี่จิตเนี่ยเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะไม่เที่ยงจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับนะทนอยู่ไม่ได้ สังเกตใจเราไหมใจเราถูกบีบค ha. you right ั ces, ้นอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ในภาวะอันแดอนหนึ่งไม่ได้ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้ตลอดเวลาเวลามีความอยากขึ้นมาใจถูกบีบคั้นหาความสุขหาความสบายไม่ได้จริงเนี่ยค่อยๆสังเกตความจริงของจิตใจไปนะจิตใจไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วอยู่ได้ชั่วคราวมันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตที่มีความสุขอยู่ได้ชั่วคราวก็ทนอยู่ไม่ได้จิตที่มีความทุกข์อยได้ชั่วคราวก็ทนอยู่ไม่ได้จิตที่่่ฟัังอยูได้ชววครานะ ก็นีไปคิดจิตที่คิดอยู่ชั่วคราวก็กลับมาฟังอย่างเงี้ยหรือกําลังตั้งใจฟังอยู่ฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปยุ่งมากัดเจ็บใชจิตวิ่งไปรู้ความเจ็บอีกแล้วไปรู้ทางตายเนี่ยจิตจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะสลับการรู้ไปเรื่อยโดยที่เราสั่งไม่ได้ตรงที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นี่แหละทีเรียกว่าอนัตตานะ การทนอยู่ในภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้สุขก็ไม่นานทุกก็ไม่นานการที่ทนอยู่ในภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้นานเรียกว่าทุกข์ขังมันถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้การที่เราคอยมาเรียนความจริงของกายมาเรียนความจริงของใจเรียนบ่อยๆเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจเป็นอนิจออนตตน จ, นนจังทุกขังอนัตตาเรียนไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งใจเราจะยอมรับความจริง เรียนเพื่อให้ยอมรับความจริงเห็นความจริงบ่อยๆจนยอมรับความจริงไม่ใช่เห็นความจริงบ่อยๆจนชนะความจริงอย่างบางคนเข้าใจผิดนั่งภาวนานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยขึ้นมากล่าวว่าทํายังไงจะไม่ปวดไม่เมื่อยหรือปวดเมื่อยล้วก็จะนั่งเอาชนะความปวดความเมื่อยการปฏิบัติธรรมไม่ได้มุ่งเอาชนะความจริงความจริงของร่างกายเนี่ยต้องปวดต้องเมื่อยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลายังไงก็ต้องเป็น เราไม่ได้นั่งเอาชนะมันแต่นั่งจนใจยอมรับความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นวัตถุทานไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตใจไม่เที่ยงจิตใจถูกบีบคั้นตลอดเวลาจิตใจสั่งไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเรียนจนใจยอมรับความจริงเข้าใจยอมรับความจริงได้มันจะรู้ทราบซึ้งเลยว่า กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของพิเศษเหมือนที่เคยคิดมาแต่ไหนแต่ไรนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นําความสุขมาให้แต่กายนี้ ใ, ใจนี้ตัวมันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองนะนี่คือความจริงขั้นสูงเลยนะเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกขนะ์ในตํารามีไหมจิตแพทย์คุไม่ได้เรียนตรงนี้เนาะ <laughs> นี่แหละจิตแพทย์เลยนิพพานไม่ได้นะ เรามานะสรุปตอนนี้สรุปซะหน่อยหนึ่งก่อนพูดเนื้อหาเยอะเดี๋ยวงงเรามาศึกษาธรรมะนะเพื่อจะได้พ้นทุกเป้าหมายจริงๆวัตถุประสงค์จริงๆพ้นทุกแต่ทุกทางกายเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกในความเป็นจริงมีร่างกายอยู่ยังทุกอยู่แต่จิตใจเนะี่ยไม่ทุกได้พระพุทธเจ้าท่านเคยพูดบอกว่าคนทั่วไปนะเวลาร่างกายเจ็บปวดนะจิตใจเจ็บปวดไปด้วย เหมือนถูกยิงด้วยธนูลูกที่หนึ่งนะลูกเดียวไม่พอต้องแถมลูกที่สองเข้าไปด้วยนะส่วนนักปฏิบัติที่แท้จริงนะรู้ความจริงแล้วไม่ยึดถืออะไรเนี่ยความทุกข์มีอยู่แต่ทางร่างกายเหมือนถูกธ น, นูดอกเดียวนะไม่มีความเจ็บปวดทางใจเกิดขึ้นนะอันนี้เราจะพ้นทุกข์ทางใจนะจนวันหนึ่งร่างกายแตกสลายไปแล้วก็จะพ้นทุกข์ทางกายไปด้วยนะพระอรหันต์ที่ท่า น, นิพพานแล้วก็พ้นทุกข์ทางกายได้ส่วนพระอรหันต ที่ยังมีร่างกายอยู่ยังทุกข์เพราะร่างกายได้อยู่ร่างกายยังเป็นตัวทุกข์อยู่แต่จิตไม่ทุกข์เท่านั้นเองนี่เราฝึกเนี่ยตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ให้ร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยไม่ได้แต่จิตใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์ได้นะถ้าฝึกดีแล้วไม่เป็นทุกข์นั่นเราจะมุ่งมาตรงนี้นะมาฝึกจนกระทั่งใจเราผลทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีความทุกข์แต่ท่านสอนให้รู้ความทุกข์ ให้เรียนรู้ความจริงขอคงความทุกข์ทุกอยู่ที่กายเรียนลงไปที่กายทุกอยู่ที่ใจเรียนลงไปที่ใจการเรียนก็คือการไปดูว่าความจริงมันเป็นยังไงนะไม่ใช่ไปดัดแปลงมันเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาเนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่มีการดัดแปลงกายดัดแปลงใจกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือการเรียนเพื่อให้เห็นความจริงนะ er as, ไม่ใช่ไปดัดแปลงมันไม่ใช่มุ่งไปเอาชนะมัน นะร่างกายมันต้องปวดต้องเมื่อยก็ไปฝึกจะไม่ให้มันปวดมันเมื่อยร่างกายต้องหิวจะฝึกให้มันไม่หิวร่างกายต้องหนาวต้องร้อนจะฝึกให้ทนหนาวทนร้อนนะอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ความจริงของกายเราจะคอยเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจความจริงของกายกับใจมีอย่างละสามเท่านั้นนะคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังแปลว่าไม่คงทีนะ่ไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไป ของซึ่งไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมาของที่มีแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังหมายถึงว่ามันถูกเสียดแทงมันถูกย่ํำยีมันทนอยู่ในภาวะจนทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้นะเั้นความทุกข์เรื่องเป็นความบีบคั้นทําให้กายนี้ใจนี้ทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้เช่นนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยความทุกข์ก็จะบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้ต้องขยับต้องเปลี่ยนอิริยาบถ หายใจออกก็ความทุกบีบคั้นก็ต้องหายใจเข้าอะไรเนี่ยนะจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะถูกบีบคั้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากชิดเหนะมือนถูกบีบคั้นด้วยกิเลสด้วยตัณหาเนี่ยใจมันดิ้นไปนะอนัตตามาันไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนนะอนัตตาของร่างกายนะดูในมุมที่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะไม่ใช่คนที่แท้จริงหรอก เราสมมติ ว, ว่าถ้าหน้าตาแบบนี้เรียกว่าคนนะมียีนแบบนี้เรียกว่าคนนะส่วนอนัตตาของจิตใจเนี่ยดูในมุมของการบังคับไม่ได้มันไม่มีร่างกายให้ดูร่างจิตใจนะร่างกายเราดูได้มันเป็นวัตถุนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกนี่ดูอนัตตาของกายอนัตตาของจิตดูในแง่ที่ว่าบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ คำว่าอนัตตาเลยมีหลายไนยะหลายแบบไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยดูได้หลายแบบเราดูอนัตตาของจิตใจดูในแง่ที่บังคับมันไม่ได้เดี๋ยวจิตไปดูจิตก็ไปดูเองจิตไปฟังจิตก็ไปฟังเองจิตไปคิดจิตก็คิดเองสังเกตไหมขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งนึกออกไหม เวลาดูหน้าหลวงพ่อนะจะไม่ได้ฟังหรอกเสียงจะเบลอๆไปเห็นหน้าชัดปุ๊บเสียงเบลอๆเลยจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเวลาตั้งใจฟังหน้าหลวงพ่อจะเบลอไปนั่นจิตมันรู้วาลมได้ครั้งและอย่างเดียวก็จิตไปดูจิตก็ไม่ได้ฟังไม่ได้คิดจิตไปฟังนะจิตก็ไม่ได้ดูไม่ได้คิดตอนที่จิตสลับไปคิดเนี่ยจิตก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ฟังจิตทํางานได้ครั้งและอย่างเดียว สังเกตดูที่ใจเรานะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อนะเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็คิดในขณะที่คิดเนี่ยเสียงจะเบลอๆไปไม่ชัดหน้าหลวงพ่อก็จะเบลอๆไปทุกคนมองหน้าหลวงพ่อสังเกตให้ดีนะเราเห็นชัดอยู่แวบเดียวรู้สึกไหมเห็นชัดอยู่แวบเดียวเราต้องขยับลูกตาใหม่เพื่อจะมองให้ชัดอีกทีหนึ่ง แม้จิตเนี่ยมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะมันดูรูปทางตาเนี่ยรู้ได้ครั้งละหนึ่งขณะจิตท่านสั้นนิดเดียวสังเกตไหมเราดูสั้นนิดเดียวอา้าวหันไปหาคนข้างๆลองดูหน้าเขาสบตา ก, กันปิ้งๆดูคนเดียวอย่าไปล็อกแรกล็อกแรกลองดูซิการที่เราเห็นหน้าเขาเนี่ยสังเกตไหมเรามองเหมือนต่อจิกซอรเรามองจุดเล็กๆนะเดี๋ยวมองตาซ้ายเดี๋ยวมองตาขวาไว้ มองแล้วก็จำเป็นส่วนส่วนไว้เสร็จแล้วค่อยประมวลผลออกมาอีกทีมันคล้ายๆรูปดิจิตอลเป็นจุดจุดใช่ไหม เ, เป็นจุดจุดเวลาดูดูเป็นจุดจุดจุดจุดนะแล้วก็ประมวลผลขึ้นมาก็สรุปาเป็นรูปผลนี้คนนี้เนี่ยจิตมันทำงานได้เล็กนิดเดียวนะทางานเล็กในขณะที่จิตดูจิตก็ไม่ได้ฟังในขณะที่ฟังจิตก็ไม่ได้ดูไม่ได้คิด จิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราก็เลือกไม่ได้ตรงที่เราเลือกไม่ได้นี่แหละบังคับไม่ได้นี่แหละคือคำว่าอนัตตานะอนัตตาสังเกตไหมจิตมันทำงานได้เองเพราะงั้นมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แยกออกจากตัวเราไปเราบังคับมันไม่ได้จริงนะนี่หัดดูของจริงอย่างนี้เรื่อยๆนะพอเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจเห็นมากๆ เห็นที่แรกจิตยอมรับความจริงไม่ได้ทุรนทุรายขึ้นมาบางคนใจหายกลัวเลยว่าตัวตนหายไปตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะทุรนทุรายขึ้นมาตัวหายไปนะบางคนก็รู้สึกเวองว้าง ว, าว้าเหวตัวเราหายไปแล้วไม่รู้จะหาที่พึ่งที่อาศัยตรงไหนนะรู้สึกเวองว้างบางคนรู้สึกกลัว เน้นภาวนาเนี่ยพอเห็นความจริงบ้างแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางคนกลัวบางคนเบื่อบางคนรู้สึกเวงว่างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนะเป็นทุกคนแหะนะเป็นทุกคนนี่เราค่อยหัดรู้หัดดูเรื่อยไปเรื่อยไปนะใจยอมรับความจริงได้มากขึ้นไม่เบื่อไม่กลัวไม่รู้สึกเวงว่างแล้วแต่ยอมรับความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูไปเรื่อยๆ พอใจไม่มันยอมรับความจริงมันจะวางพรนะพุทธเจ้าถึงสอนบอเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายไหมดูแล้วเบื่อบางคนก็กลัวบางคนรู้สึกเวิ้งวงเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะ เน่ใจมันจะค่อยๆพัฒนาเป็นลำดับลําดับไปสุดท้ายใจมันจะไม่ยึดถือในขันห้าไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจไม่ยึดถืออะไรในโลกเมื่อใจไม่ยึดถืออะไรแล้วเนี่ยใจก็มีความสุขใจโปร่งโล่งเบาไม่ต้องแบกภาระใจของคนทั้งหลายที่มีความทุกข์นะเพราะมันเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆแล้วมาเป็นภาระนะบีบคั้นจิตใจนะงั้นเราจะฝึกหัดรู้ความจริงของกายหัดรู้ความจริงของใจไปเรื่อย ดูเขาดูกายอย่างที่เขาเป็นดูใจอย่างที่เขาเป็นดูไปสบายๆตามรู้ตามดูไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขรู้จนเห็นโอ้มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพอจิตยอมรับความจริงได้นะคราวนี้ร่างกายจะแก่จิตไม่ทุรนทุรายละร่างกายมันแก่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราร่างกายมันเจ็บไม่เกี่ยวอะไรกับเราร่างกายมันตายไม่เกี่ยวอะไรกับเรา อะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายไม่เดือดร้อนเลยจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่เดือดร้อนจะพบกับสิ่งที่ไม่รักก็ไม่เดือดร้อนอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อนใจนะเพราะมันไม่มีตัวเรามันทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีตัวเราเข้าไปแบกไปรับความทุกข์เข้ามาแล้วเราจะเรียนจนกรทั้งเห็นความจริงนะตัวเราไม่มีจิตยอมรับความจริงได้จิตวางรู้เลยกายนี้ใจนี้ เรายืมเพืาอมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวจริงๆเป็นสมบัติของโลกทั้งนั้นเองขันห้าก็สมบัติของโลกยืมโลกมาใช้ชั่วคราวถึงวันอื่นคืนเข้าไปนะเรานั้นพอรู้ความจริงตัวนี้ไม่ไปทุกข์กับมันละขันห้านั้นก็เป็นทุกข์โดยตัวของไม่เองของมันไปแต่จิตที่เรียนรู้ดีแล้วปล่อยวางไม่ยึดถือในขันห้าก็ไม well. ่ทุกข์ตามขันห้าไปด้วยร่างกายก็ยังทุกข์อยู่อย่างเดิมร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายร่างกายหิวร่างกาย กระหายร่างกายหนาวร่างกายร้อนนะปวดอึปวดฉี่อะไรเนี้ยเป็นธรรมชาตินะแต่จิตไม่ไปทุกข์กับมันนั่นเราจะเรียนน ะ, ะเชิญวันหนึ่งจิตไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับใจของตัวเองพอมันไม่ทุกข์กับกายไม่ทุกข์กับใจตัวเองแล้วมันจะไม่ทุกข์กับสิ่งใดในโลกด้วยนะอันเนี้ยเป็นวิธีการที่ชาวพุทธจะเรียนกันเรามาแก้ที่ไหนเรายึดถืออะไรเป็นตัวเรามากที่สุดเรายึดถือกายใจนี้เป็นตัวเรามากที่สุดยึดถือขันห้าเป็นตัวเรามากที่สุด ของอื่นๆเป็นแค่ของเราใช่ไหมการท่าเป็นตัวเราจะรู้สึกอย่างนี้นี่นี่ตัวเราอันะนี้อันนี้แค่ของเราถ้าของคนอื่นหายไปไม่เป็นไรใช่ไหมของเราหายไปเดือดร้อนอนะตัวคนอื่นหายไปก็ไม่เป็นไรดรอกตัวเราอย่าหายก็แล้วกันนะบ้านคนอื่นไฟไหมหน่าดูไหมสังเกตไหมเวลาไฟไหมนะคนชอบไปดูนะดูดโอ้ผังพลงแล้วอุ้ย ฟ <laughs> นะังสะใจเนี่ยก็โลคจิตเนหะ็น <laughs> ความชิบหายของคนอื่นสะใจเวลารถชนกันชอบดูไหมถ้ารถเราชนกันตื่นเต้นไหมเออชนแล้วชนแล้ ว, น, ลวนะ <laughs> ไม่เป็นหรอกงั้น <laughs> <laughs> อะไรที่เป็นของเรานะแล้ามันแปรพลันไปสูญเสียไป ม, มันทุกข์เยอะนะถ้ากายนี้ใจนี้เรารสึกเป็นตัวเราเป็นของเราสูญเสียไปนะก็ทุกข์เยอะ แต่ถ้าเราไม่ยึดถือมันนะมันเป็นอะไรไปมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกความทุกข์ก็จะหายไปน้่นเราจะฝึกนะจนกระทั่งความทุกข์นี่ยมันหายไปจากใจหายไปจากใจได้เพราะใจมีปัญญาเห็นความจริงเลยว่าขันห้ากายใจนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของพิเศษอย่างที่เคยคิดเคยฝันหรอมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ถูกบีบคั้นมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาเนี่ย อนัตตาแปลว่าไม่เป็นไปตามใจอยากก็ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับก็ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็ได้อนัตตาเนี่ยแปลได้หลายอย่างถ้าจะแปลตรงๆก็คือไม่มีตัวตนถาวรอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนถาวรไม่ใช่ไม่มีตัวตนเฉยๆนะตัวตนนั้นบางทีก็ปลุงขึ้นมาคิดขึ้นมาว่ามีจริงๆไม่มีมีก็มีช่วคราวก็หายไป มีขึ้นมาเพ้าไปสําคัญมั่นหมายว่ามีนะนเราจะค่อยๆเรียนรู้ความจริงวิธีเรียนรู้ความจริงนะวิธีเรียนรู้ความจริงของชีวิตหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาเวลาเรียนต้องเรียนให้ครบยจะมาเรียนอันเดียวสองอันไม่ได้เคยได้ยินมั่งเรื่องศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขา การเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องปัญญาถ้านะนะเรียนอย่างนี้ต้องเรียนให้ครบสมอย่างศีลนะนนะจะช่วยเราสู้กับกิเลสอย่างหยาบคือราคะโทสะโมหะพอเรามีศีลแล้วนะสมาธิจะเกิดง่ายวิธีที่ให้เกิดสมาธิคือเรียนเรื่องจิตนะจิตมันชอบฟุ้งซ่าน เราจะเรียนรู้มันอ๋อมันฟุ้งซ่านไปละเรียนรู้ทันมันนะมันจะสงบเข้ามาจะตั้งมั่นเราจะฝึกจิตนะจนกระทั่งเกิดสมาธิสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งชื่ออารัมมณูปนิชฌานเปนจิตสงบเฉยๆนะสงบพักผ่อนเป็นสมถกรรมฐานชนิดที่สองชื่อล an. นะักขณูปนิชฌานเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู เราจะฝึกสองอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มีความสงบเป็นพื้นฐานจิตมีเที่ยวมีแรงก็มาเจริญปัญญานะขั้นสุดท้ายคือการเจริญปัญญาศีนเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะช่วยช่วยให้ใจเราไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของราคะโทสะโมหะแรงๆนะการศึกษาเรื่องจิตทําให้เกิดสมาธิทําให้จิตไม่ฟุ้งซ่านความฟุ้งของจิตเป็นกิเลสชั้นกลางเป็นกิเลสระดับกลาง ส่วนการจเจริญปัญญานั้นใช้สู้กับกิเลสระดับสูงกิเลสละเอียดกิเลสที่ละเอียดก็คือความโง่แปลกนะความโง่เนี่ยท่านถือเป็นกิเลสตัวใหญ่เลยตัวลึก <dental> ซึ้งที่สุดเลยความไม่รู้ความโง่งั้นจะสู้กับความโง่สู้กับความไม่รู้ก็สู้ด้วยความรู้สู้ด้วยปัญญาปัญญาคือการได้ไปรู้ความจริงความจริงที่เราจะเรียนคือความจริงของกายของใจพิธีที่จะรู้ความจริงของกายของใจนะตอนนี้ท่องไว้ก่อนนะ ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ต้องไปดูของคนอื่นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงของกายคือไตรลักษณ์ความจริงของใจคือไตรลักษณ์ไม่ได้ดูในมุมอื่นให้มีสติแค่รู้ไม่ใช่ให้ไปละไม่ใช่ให้ไปควบคุมไม่ได้ให้ไปบังคับ ให้ไปรู้กายอย่างที่กายมันเป็นให้ไปรู้ใจอย่างที่ใจมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอยู่แล้วไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์มันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วในการที่เราจะมีสติรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงได้มีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักคนูปนิชฌานนะไม่ใช่สมาธิชนิดสงบเฉยๆอารมณูปนิชฌาน งั้นสมวันนะสมวันจะเรียนเรื่องพวกนี้จะลงรายละเอียดไปฝึกยังไงให้เกิดสติแล้วสติจะระลึกรู้กายทํำยังไงสติจะระลึกระลึกรู้จิตใจทํำยังไงนะสติระลึกรู้กายจะรู้ลงปัจจุบันสติระลึกรู้นามาทำรู้ความรู้สึกเนี่ยจะรู้ตามหลังแต่ตามหลังแบบติดๆกันเลยนะกับชั้นชิดมีสติรู้กายรู้ใจให้รู้ไม่ใช่ให้เข้าไปแทรกแซงนะ กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นไตรลักษณ์ก็เห็นไตรลักษณ์ของกายจิตใจเป็นไตรลักษณ์ก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตใจการที่เราจะมีสติรู้กายรู้ใจจนเห็นไตรลักษณ์ได้มีเงื่อนไขจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตต้องถอดถอนจากผู้แสดงมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้ประพันธ์บทไม่ใช่ผู้กำกับนะไม่ใช่ผู้วิจารณ์แต่เป็นแค่คนดูเฉยๆ ดูด้วยความเที่ยงธรรมดูแบบปราศจากอคตินะงั้นจิตใจเราต้องดูด้วยความเป็นกลางไม่มีอคตนะิถ้าดูแบบมีอคติดูแบบมีไบแอชจะไม่เห็นความจริงนะอย่างเราดูมวยใช่ไหมนี่นักมวยข้างเราเราก็เชียร์ต่อยเฉียดเฉียดเข้าไปเราก็ว่าถูกแล้วนะไอ้ข้างนอนต่อยของเราซะน่าห ง, งายนะเห็นเราหน้าห ง, งายเราแบบเฮ้ยมันหลบเอาเองไม่ถูกต่อยเนะี่ยต่อยดูแบบมีไบแอชนะ เราจะต้องดูฝึกจิตฝึกใจจนเป็นผู้ดูที่ไม่มีไบเอชวิธีฝึกใจให้ไม่มีไบเอชฝึกจนกระทั่งได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองจิตที่ตั้งมั่นมีลักคนูปนิชฌันะไม่มีไบเอชพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันจะเห็นสติะระลึกรู้กายมันจะเห็นเลกายไม่ใช่จิตกายเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัต พอสติไปรู้เวทนานะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเนี่ยไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่จิตด้วยนะสติระลึกรู้กิเลสก็จะเห็นว่ากิเลสไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะนี่ถ้าระลึกรู้โดยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นเราจะต้องค่อยๆฝึกนะอันแรกฝึกให้เกิดสติอันท um. ี่สองฝึกให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางเรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานขึ้นมา ถ้าเรามีสติแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยอย่ากลัวว่าปัญญาจะไม่เกิดทันทีที่สติระลึกรู้ลงในกายด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนล้วจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายทันทีที่สติระลึกรู้เวทนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจะเห็นความจริงเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเวทนาทันทีที่สติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเห็นว่ากุศลอกุศลทั้งหลายนั้นนะะ สแสดงใจรักนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตวนะ์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยสองวันที่เหลือเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องนี้นะสวันเนี่ยเดี๋ยวพวกพี่เลี้ยงเข้าุงจะช่วยนะวิธีฝึกให้เกิดสติวิธีฝึกให้เกิดสมาธิสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นมีสองอันสงบเอาไว้พักผ่อนตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาแล้วก็รู้วิธีเดินปัญญามีสติรู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้โลกปัจจุบันรู้ใจตามรู้ไป เป็นวิธีเจริญปัญญาอ่ะตอนนี้เอาปูพื้นฐานเบสิกก่อนนะแค่เบสิกก็เยอะแล้วนะเ <c oughs> ชิญไปทานข้าว